การให้พรจากพระเนี่ยญาติโยมจะชอบมากเลยตั้งใจรับมากอายุวันณะสุขาพละบางก็ขออีกมากมายเลยอธิษฐานขอให้ร่ําให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้เจอเนื้อคู่ที่ดีและขออะไรต่างๆอีกมากมายขอประสบความสําเร็จในการงานหน้าที่ให้คนรักอะไรอย่างเงี้ยการขอบางคนก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันนะถ้าเจ้าตัวเนี่ยสร้างสมบรรมัติบุญมาก่อนแต่บางคนขอก็ไม่ได้ผล พราบางทีพระที่ให้พออย่างป่วยเลยบางทีขอให้หายป่วยอย่างเงี้ยเสร็จเลยขอให้รวยพรอย่างยากจนอยู่เลยบางทีพอที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นสิ่งประโมใจสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําให้สมหวังด้วยตัวของตัวเองอันนี้ก็มีเรื่องเล่าหลายเรื่องมาฝากพวกญาติโยมเรื่องแรกผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบไหว้พระสวดมนต์ เวลาไ่ทำบุญตักบาตรให้พระเนี่ยแกก็ดอธิษฐานขอให้ร่ำรวยและขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงขออธิษฐานยาวเหยียดและเสียงดังด้วยลูกชายในวัยเรียนบางครั้งก็มาขอตังค์แกบอกลูกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแม่ต้องเอาบุญเอาเงินไปทำบุญหลายครั้งครั้งแระห้องเล่าตอนนอน เวลาแกไว้พระเสร็จนะแกก็ขอพรขอให้อย่าได้มีโครคภัยไข้เจ็บเป็เบี้ยเลยขอให้รวยมีเงินมากมายวันแล้ววันเล่าที่แกขอพรเงี่ยจะลูกคิดหาทางแก้เผ็ิดแม่จึงแก้ทําทีมาขอเงินแม่ขอเงินหน่อยครับไว้ภายหลังลูกเดี๋ยวแม่จะเอาเงินไปทําบุญน้าแม่ขอเงินหน่อยขอหลายครัง้งแม่ช็อกโอ้โหอไอ้ลูกคนนี้พูดเรื่องไงบอกแล้วว่า เอาเงินไปทำบุญขออยู่ได้นะ่าลำคานจริงดูเรื่องเลยเราเลูกชายได้ทีแม่ทีผมขอเงินแม่กังลำคานแล้วแม่อธิษฐานขอพรจากพระแม่คิดว่าพระจะพะระเทวดาจะไม่ลำคานเหรอเออแกก็ได้คิดขึ้นมาเออจริงอย่างที่ลูกพูดเพราะการขอให้บ่อยเนี่ยบางทีก็เกาะอขอลำคานได้อย่างอย่างพระไตยปิดกมีเรื่องหนึ่ง มีพระรูปหนึ่งตั้งใจไปบัตรธรรมนะก็ไปที่ลาวป่าแห่งหนึ่งลาวป่านั้นจะมีบึงใหญ่แล้วก็มีนกฝูงใหญ่เลยร้องเจียวเจ้าดังลั่ดในหมดพระรูปนี้ไปนั่งสมาธิก็การไปบัตรธรรมไม่ก้าวหน้าใจไม่สงบเพราะว่านกร้องรบกวนจึงไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอคำชี้นะฮะพระพุทธองค์ก็ให้ไปที่เก่าแหละแล้วออกบ่ายให้พระรูปนี้ไปขอขนนกตัวตัวละเส้น ให้ขอทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นภาคบุรบ ก, ก็ทำตามไปถึงเห็นนกกำลังร้องเจียวจ้าวอยู่เลยแกก็เอ่ยขึ้นว่านกทั้งหลายจงฟังข้าข้าขอขนจากพวกเจ้าเนี่ยตัวละเส้นจงให้ข้าเดี๋ยวนี้นะนกมันก็ร้องขึ้นพร้อมกันพักขอขนพักขอขนขนลุกชันแล้วนกแต่ไม่ให้นะ พระท่านนี้ก็ขอเช้าสายบ่ายเย็นเจอหน้านกก็ขออยู่นั่นแหละตะโกนขอ ด, นด้วยความขี้เหนียวด้วความตนหนนกก็เลยบินจากไปหมดเลยไม่ย่ไมยอมอยู่บึงนั้นเรื่องนี้ก็มีแง่คิดตรงที่ว่าผู้ขอเนี่ยย่อมไปที่ลงเกลียดหรือผู้ถูกขออันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอย่างพวกเราเนะี่ขอบ่อยๆแล้วก็อย่างพระเนี่ยแล้วขออะไรโยมโยมก็จะตอนแรกโยมภาวนาให้แนละ้วขอไปขอมา โยมเอ้หลวงพี่นี่เรื่องมากอย่างอยากได้ดูอยากอด้ดีโยมไม่ให้นะบางทีโยมต้องให้เองแล้วเราสังเกตะบวชมานานเนี่ยโยมอยากให้ก็ให้ไปไม่ให้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตามบีตามได้ถ้าไปขอบอกคนภาวนาไว้เราไปขอปุ๊บเดีย๋ยโยมก็จะลังเกียดได้เลยโอ้โหผ้าล้มน้ช่างขอจังเลยอะไรเงี้ยเรื่องนี่เป็นเรื่องจริงคนถูก ข, ขอเนี่ยถ้าให้เองไม่เป็นไรแต่ถ้าขอบ่อยๆจะรังคาญแล้วก็คิดไม่ดีกับคนที่ขอได้อันนี้แต่บางครั้งโชคอับลาบก็ให้ผลเหมือนกันนะอย่างเมื่อปีสาสาม พวกเราคงได้ยินสาม้อสู่หวยนะอันนี้เป็นตํานาน ต, ต, ต้นตำรับสารล้อถู่หวยเลยที่ตาเคีจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยมีชายอยู่คนหนึ่งชายคนนี้ชื่อว่าเพลินชีวิตของแกเนี่ยค่อนข้างจะอาภัพเกิดมายากจนไม่มีการศึกษาแถมต้องติดคุกอีกห้าปีนะติดคุกเสร็จแม่กเห็นว่าโอ้ชีวิตมีแต่เคราะก็ให้มาบวชบวชอยู่ปร 3, มะมาณสามันสาะพระเพลินซื้อหวยพเพลินไปถูรัตตารีไว้ที่หนึ่งได้เงิ น, นหนล้าน แกก็เลยสึกเลยสึกแล้วมาใช้ชีวิตแบบเสียมีญาติเนี่ยที่ไม่เคยแทบรู้จักไม่เคยรู้จักเลยนะตอนแกติดคุกไม่มีใครไปเยี่ยมนะหรือเพื่อนเนะี่ยเพื่อนก็ไม่ไปเยี่ยมเหมือนกันตอนแกติดคุกทุกคนมาหาแกมาขอตังค์บ้างอะไรบ้างแกก็ใจดีให้นะกลายเป็นคนญาติเยอะเลยจากคนที่คนสังคมรังเกียจคนติดคุกในหมดอาคต์แล้วพอรวยขึ้นมานี่ฐานะเปลี่ยนเลยนะคนรักเลยสังเกตวนะ่าคนรวยเนี่ยอะไรก็ดูดีหมดอนะ่ะคนจนทังโลกนะไม่ใช่ทางธรรมนะ คนจนดูแย่ไปหมดอะคนรวยต่อให้เป็นคนนิสัยไม่ดีแต่ขอยบีตังขึ้นแหละอะไรก็ดูดีไปหมดเพราะเงินเนี่ยมันทางโลกเนี่ยเขาต้องการอยู่แล้วแกก็เลยกลายเป็นคนมีเพื่อนเยอะญาติเยอะไปแล้วก็ได้แต่งงานด้วยนะแต่งงานไม่รู้รักหรือเลือรักตัวแกก็ไม่รู้อ่ะแก ก, แ ก, ก็ซื้อบ้านให้แล้วก็โอนชื่อให้เมียบางทีก็ซื้อรถอะไรให้ญาติเลยได้เงินมาก็เอาไปเที่ยวคืนนะตามนัดคับตามบาร์เนี่ยเพราะแถวตะเคียนมีเยอะอยู่หลายที่ แล้วก็ไปแจกทิปให้นักร้องให้เด็กเสิร์ฟเนี่ยคืนลั่งร่องเฮ้าหมื่นวันแล้ววันเล่าจนในที่สุดหกล้านใช้ไปใช้มาแดเดือนเกี้ยงเลยแกก็เหลือเงินก็สุดท้ายเนี่ยไปซื้อสามล้อเอาไว้ปั่นเลี้ยงชีพแล้วตอนหลังปีสีห้ามันได้ข่าวว่าแกก็เลิกกับเมียแล้วก็กลับมาปวดท่าอีกชีวิตของเพลเนี่ยจึงขึ้น ข, นขนลงลงตกตำ่ำแล้วก็ แล้วก็ขึ้นแต่ช่วงขึ้นแกไม่มีอะไรรองรับเนี่ยคล้ายๆภาวะรองรับไม่มีตอนหลังเนี่ยก็เลยหายหมดแล้วหมดตัวเลยบ้านก็ไปชื่อเมียก็เลยตัวเองก็เลยไม่อยบ้านเลยทรัพย์สมบัติก็หมดไปกับกีเลศอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะว่าบางทีโชคเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นโชคก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกันคนเราถูกหวยหกล้านไม่ง่ายๆนะมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งเศรษฐีเนี่ยมี ที่ดินที่นามีสวนมากมายเลยตอนหลังเนี่ยเศรษฐีก็ป่วยรักรูก้ตัวใกล้จะตายจึงเรียกลูกชายสองคนมาแกเปลูกชายสองคนเน่ยแกก็แบ่งสมบัติให้เท่ากันแล้วก่อนที่จะตายเนี่ยเศรษฐีก็สั่งเสียลูกทั้งสองว่าลูกขอให้กินข้าวให้อร่อยนะหลังจากเศรษฐีตายไปแล้วผู้พี่เนี่ยกินข้าวให้อร่อยนะของแกนแก็คือแกก็เอาเงินนี่แหละไปซื้อของอร่อยๆมากินของ แ, แพงๆของหรูอะ่ะ กินเหล้ากินเบียร์บางีกินเต็มโต๊ะเลยกินอร่อยทุกมือแต่น้องชายน้องชายนี่กินข้าวกับน้ําพริกผักแล้วก็ผักต้มอาหารธรรมดาธรรมดาด้วยความที่กินหรูไม่นานทรัพย์สมบัติที่พ่อให้เก็เริ่มร่อยหลอลงไปเรื่อยแล้วอย่างตัวพี่ชายมันก็ไม่ยอมทํางานนะพอพ่อสั่งไว้ก็กินอร่อยงานก็ไม่ยอมทําทรัพย์สมบัติมันก็ไม่เพิ่มมีแต่เสียไงในไมช้าก็เงินก็หมด เหลือที่เหลือที่ไล่ที่นาก็ประกาศขายไอ้ฝ่ายน้องชายนีก็รับซื้อมาโดยของพ่อหลังจากขายได้เงินมาแกก็เหมือนเดิมแหละกินอร่อยกินจนตอนหลังเงินก็หมดไม่มีที่ไปจึงต้องมาขออาศัยอยู่กับน้องชายน้องชายก็ได้ทีเลยทีเียพี่อยู่กับผมต้องทำงานนะอย่ามากินนอนไม่ได้นะ แกก็ใช้ให้ไปขุดดินทำไร่ทำท ำ, ทำสวนทำนานอะไรเงี้ยเรื่อยเปื่อยก็ถือว่าตอนนี้พี่มาสายอยู่แล้วได้โอกาสวันหนึ่งพี่ชายนะหิวข้าวมากเลยน้องชายไม่ยากให้กินข้าวนะหิวหรือยังพี่หิวแล้วหิวแล้วอดทนหน่อยนะไปทำงานต่อพี่ก็ไปทำงานมาเหงื่อท่วมเลยหิวหรือยังพี่โอ้หิวมากแล้วน้องกินได้ยังยังไปทำงานอีกพักหนึ่งเดี๋ยวค่อยมากินนะพี่แกก็ไปทำงานมาตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วโอ้หิวมากเลยน้องหิวจริง หมดแรงแล้วเนี่ยน้องชายก็เลยบอกว่าเอ า, อางี้ก็แล้วกันเรามาทานอาหารด้วยกันแล้วแกก็เอาน้ำพริกผักต้มอาหารบ้านๆ น, นี่แหละพี่ชายตอนแรกรังเกียดอาหารพวกนี้นะเคยดูถูกน้องชายไว้ว่ากินอาหารไร้เรื่องเลยแต่ตอนหิวเนี่ยแล้วแกเหนื่อยไงก็กินใหญ่เลยโ้โหกินกินเร็วกว่าน้องชายพี่เบาๆหน่อยจะติดคอตอนนี้พี่รู้ทุ้อย่างว่ากินข้าวให้อร่อยนะี่ความหมายมันคืออะไร พี่ชายเริ่มเข้าใจแล้วนี่แหละคือการกินข้าวอร่อยแล้วข้าวไม่ใช่ปนเบอร์กิเลนพอกินอร่อยก็ต้องก็งเหงื่อเสียเหงื่อแนละ้เรื่องนี้ก็ให้แง่คิดนะว่าบางครั้งเนี่ยพอจะพระไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องลงมือทําด้วยตนเองคนที่ทํางานเหงื่อออกถือโชคดีนะทําให้ร่างกายเนี่ยได้ออกกําลังกายบางคนไม่ไออกกําลังกายไม่ได้ทําอะไรเลยชีวิตก็อยู่เซ็ง สมองก็บึนตื้อแต่คนที่ทํางานเนี่ยออกกำลังกายเนี่ยพอร่างกายดีเรื่องอื่นก็ดีตามไปหมดแหละสุขภาพดีก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่ป่วยทํางานก็อุสงศาก็น้อยไงพอล่างกายดีคนเราถ้านอนหลับหลับลึกเนี่ยกระหลับตื่นเนี่ยหลับลึกจะดีกว่าตื่นมาก็ไม่เพียแต่คนที่นอนไม่ค่อยหลับเนี่ยตื่นมาก็อ่อนระหวยโดยแรงตื่นมาก็เพียจะต่างกันมากเลยคนนอนหลับกับคนนอนไม่หลับนั่นการที่เสียงเงือเนี่ย จึงเป็นน้ำมนแล้วก็ให้เรามีความสุขมีความเจริญได้มีเรื่องต่อมามีผู้นหญิงคนนึงเธอเป็นนางพยาบาลวันที่เป็นวันเกิดของเธอว่าตั้งใจว่าวันนี้จะถวายถวายของให้พระตักบาตรแล้วถวายสังฆทานให้พระหลา ย, ายรูปไงด้วยความที่แบบคืนนั้นเข้าเวรดึกเลยตื่นสายออกมาใส่บาตรพระหายหมดเลยไม่เห็นพระเลยคิดว่าวันนี้คงไม่ได้ทาบุญละเลือก แล้วก็มองว่าอา้าวเห็นเนรเดินมาจึงนิมนต์เนรมารับของหลังจากรับของเสร็จแล้วนักพยาบาลก็บอกเนนวันนี้วันเกิดของโยมนะให้พรหน่อยเนนบอกผมเพิ่งป่วยมาได้สามวันเองครับยังยังให้พรไม่เป็นเลยพยาบาลบอกให้พรยังไงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกให้ให้โยมมีความสุข ก, ก, ก, ก็แล้วกันเนก็ยืนนึกไปนึกมาแล้วก็ให้พร mm hmm. Happy Birthday to You แฮ p ปี้เบิร์ดเดย์ o ูยูอันนี้ก็ทําให้พยาบาลอารมณ์ดีอันนี้การให้ฟอนต์ของของเนนะคือคืออะไรก็อยู่ที่ใจนะถ้าใจเราดีเนี่ยอะไรก็ดีหมดถ้าใจไม่ดีอะไรก็ไม่ดีเรื่องเซนนะมันมีเศรษฐีคนหนึ่งแกนิมนนิมนต์พระเนี่ยมาฉันฉันเพลงที่บ้านเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงอะ่ะหลังจากฉันเพลงเสร็จเศรษฐีก็ให้อาจารย์เนี่ยเขียน คำวยพรคือเศรษฐีเถื่อเรื่องจริงจังมากเลยเรื่องนี้อาจารย์ก็ค่อยเขียนนะพ่อตายลูกตายหลานตายเศรษฐีตกใจมากเลยที่อาจารย์เขียนแบบนี้อาจารย์อย่าล้อเล่นนะใครใครพอแบบนี้กันอุย้ยอาตมาไม่ได้ล้อเล่นโยมคิดดูให้ดีๆนะคนเราจะหาตายตามตามวายัยตามอายุยากนะให้พ่อตายก่อนแล้วก็มาลูกตายแล้วมาหลานตายเนี่ยส่วนใหญ่ บางทีหลานตายก่อนเราก็ต้องไปงานศพหลานหรือลูกตายก่อนเราก็ต้องไปงานศพลูกทั้งกาที่ตายตามอายุเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเราไม่ต้องไปตไปงานศพคนที่อายุ น, อน้อยกว่าเราหายากมากแต่และครอบครัวที่ตายตามอายุไขปู่ย่าตา ย, ยายตายก่อนแล้วมาพ่อแม่ลุงป้าน้าอาแล้วห้อยเลียงไล่ลงมาอันนี้จะเป็นมงคลนะเกิดขึ้นได้ยากอันนี้การให้พรแบบเซนเซนนี่ก็ให้พรแบบ ไม่ได้อาใจายเอาภาพไงเขาให้ตามความเป็นจริงแต่คนทั่วไปไม่ค่อยชอบหรอกอย่างคนไทยแหมเวลาวันหวยออกเนี่ยเขาจะใส่บาทอย่างเมื่อก่อนอามาไปอยู่ภูหลงเนี่ยสังเกตอะวันที่หวยออกอะโยงใส่บาทเพียบเลยลุ้นว่าขอให้ถูกสองตัวนะสองตัวบนสองตัวล่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนหวยไม่ออกโยงก็ไม่ค่อยมาใส่เพราะหวังผลตอบแทนอันนี้การทําบุญก็ไม่ค่อยไปสุดแล้วถ้าการทำบุญไปสุดเนี่ยก็คือการลดละความเห็นแก่ตัวไนงะ ลดละอัตราลดละความยึดมั่นถือมั่นต่างๆคือทําแล้วไม่หวังผลตอบแทนอย่างตัวอามาเนี่ยเวลาปล่อยปลาบางทีเราเห็นปลานาองขาอยู่บนรถอะรถในที่เขามาขายอะา่ะอามาก็จะปล่อยถ้าเจอจังหวะที่เหมาะเจาะนะคือเราเจอต่อหน้าเราจะเหมาหมดรถเลยแล้วเราก็ไปปล่อยทุกครั้งที่เราปล่อยเราไม่เคยขอจากเขาเลยอามาจะพูดว่าเอ้ยปลาอย า, อ, อยากขอใเองอยู่แบบ สุขีสุขี่นะอย่าให้โดนจับอีกนะแค่นั้นแหละเมื่อก่อนจะปล่อยบ่อยตอนหลังเมื่อเได้ปล่อยแล้วเพราะไม่ค่อยเจอรถขายปลาเมื่อก่อนทำไมาปล่อยสะหน้ากุฏิอาจารย์วัฒชัยนะอ่ะบทที่เข้าภาษาหมดโอ้โหหมดค่าปล่อยปลาหลายพันเลยแต่เราก็มีความสุขเราช่วยชีวิตเขาเราไม่าวังผลตอแทนเพราะปลาเป็นช่วยตัวเองไม่ได้เลยต้องช่วยไปเลยถ้าเราไปขอพอจากปลาที่เสร็จเลยขอที่ฐาน มีหลายครั้งที่เราช่วยอะไรอย่างอื่นเนี่ยเราต้องช่วยด้วยจิตใจที่แบบเมตตาไม่หวังโหตอบแทนแล้วเข้าซ้วมเนี่ยบางทีเราก็เจอพวกสัตว์ที่ตกในส้วมนะอย่าตัวมาเจอบ่อยา่าบางทีเจอพวกจิ้งหรีดอย่างเงี้ยเจอมดเจอสัตว์หลายประเภทหรือบางอย่างที่มั น, มนตกในน้ำแล้วมันขึ้นไม่ได้ไงปลาลกปลาลกแบบ ถ้าเราไม่ช่วยมันก็ตายบางคนใจร้ายก็เข้าส่วมก็ราดมันลงไปก็มีมันก็มาทดสอบเราอะ่ะให้เราช่วยเหลือประจำนั้นเรามีสิทธิ์ได้ทําบุญอยู่เรื่อยจะทําบุญมันก็ถ้าเกิดเราไม่หวังผลตอบแทนมันก็มีข้อดีเหมือนกันเป็นการลดละคว า, ามอิจฉาตัวไปเพราะการดีถ่ายของเราเนี่ยบางทีเราขอให้เราอยากได้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขอให้มีความสุขขอให้รวยเนี่ยทุกคนก็จะขอแบบีกันส่วนใหญ่นะขอให้ ดวงตางหายไปฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแบบนี้ยแต่บางครั้งก็ไม่สมหวังหรอกมันไม่ได้เป็นที่เราขออย่างมีนิทานเรื่องที่อาจฉริชอบนะเรื่องเทวดากำหนดเรื่องส้วมโยบอาจจะเคยฟังแล้วฟังอีกก็ได้เทวดาตนหนึง่งคิดถึงเพื่อนสมัยที่เคยอยู่บนโลกมนุษย์ด้วยกันเพื่อนคนนี้เป็นคนที่สำเร็จเทมเาลเมื่อเข้าทาน วัดก็ไปเข้าบุญก็ไม่ทําชอบอายมุกทุกชนิดเทวดาสนะมัยก่อนเป็นโยมเนี่ยก็ก็ทำบุญรักษาศีลเดืองนี่สองศีลจึงทําให้มาเกิดเป็นเทวดาแต่สองคนนี้รู้สึกกันได้ยังไงเพื่อรักกันด้วยเทวดาก็ใช้ตาทิพซองดูว่า เ, เพื่อนไปเกิดที่ไหนจึงรู้ว่าไปเกิดในซ่วมโบราณของวัดแห่งหนึ่งเทวดายกใช้ฤทธิ์ลงมาปรากฏที่หน้าศุนด้าหลวงซ่วมโบราณแล้วก็ใช้ฤทธิ์ให้หนอนเนี่ยจาตัวเองและลึกชาติได้ อา้าวหนอนเห็นเทวดาก็ทักเลยเอาเพื่อนสบายดีหรือโอ้สบายดีอา้าวแล้วเพื่อนไปอยู่ที่ไหนมาไม่เจอกันตั้งนานอ๋อตอนนี้ข้าเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์อา้าวแล้วเอง็งจะไปไหนอ่ะข้ากำลัมาหาเอง็งละแหละเห็นว่าเอ็งตกลกักลอบลำบากจึงจะมาชวนแกเนี่ยไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันหนอนทําหน้าคิดดักแล้วก็เอ่ยขึ้ว่าสวรรค์ของแกดียังไงถึงมาชวนข้าไปอยู่ด้วยอ๋อสวรรค์ของข้าเนี่ยอะไรก็เป็นทิพย์หมด มีแต่สิ่งสวยสวยงามมีนางฟ้าเป็นเมียค่ามากมายแล้วก็มีอาหารอร่อยๆแค่คิดเนีอาหารมันก็ล อ, อยมาแล้วหนอนมันก็ทําสีหน้าตกใจแล้วเอยขึ้นว่าโอ้โหเพื่อนทำไมหน้าองสารแบบนี้เองรู้หรือเปล่าเนี่ยค่าเนี่ยมีเมียสวยๆเพียบเลยเนี่ยเห็นไหมหนอนตัวเมียแบบเพียบเลยเนี่ยอาหารของข้าเนี่ยไม่ต้องคิดถึงเวลามันก็ล อ, อยมาเลยถึงเวลาเนี่ยหลวงพี่หลวงพ่อมาส่งให้ถึงที่ เองมาอยู่กับข้าดีกว่ามั้งข้าจะจะหาที่ให้เองอยู่เนี่ยข้างๆข้ า, ข า, ข า, ขาเนี่ยก็ยังว่างอยู่เนี่ยเทวดาสายหัวเลยเพราะว่าคุยอยู่ไม่รู้เรื่องคือหนอนก็จะจะมองในมุมของหนอนไงมองว่าขี้ดีอร่อยมองของสกปรกเป็นของหอมแต่เทวดาเห็นเห็นแล้วสีเสียเอียนชึงเอ่ยบอกองั้นเพื่อนก็อยู่กับหนอนตัวเมียต่อไปก็แล้วกันนะข้าไปก่อนละทางกะทางวันเรื่องนี้ก็จบคนทั่วไปบางคนก็ แต่งตัวสกรปรกน้ําไม่อาบอันมาเคยเคยเคยช่วยพวกนี้นะเคยเอาเสื้อผ้าไปให้เคยให้ต่างเขาคนปรากฏว่าเขาก็เหมือนเดิมอ่ะเพราะว่าเขามีความคือคนพวกนี้จะเพียนะ้ยนไงคนที่เพี้ยนเนี่ยเขาจะบอกว่าสิ่งเขาทำมันดีอยู่ไนงะคือจะนึกไปขึ้มาก็เหมือนหนอนอะ่ะบางทีเขาไม่รู้ว่าสิ่งว่าเขาเพีย้ยนกินอาหารก็สกรปรกสกรปรกแต่งตัวก็เสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งแล้วจะจะบ่อยคนคนเพีย้ยนคนบ้านเนี่ย ทั่วไปที่เสียสติอ่ะเขาอยู่ในโลกของเขานะน้ําเนื้อไม่อาบวะเหม็นเขาไม่รู้ว่าเหม็นนึกจะนอนตรงไหนเขาก็นอนตรงนั้นแหละใต้สะพานลอยใกล้กองขยะบางคนมีเม็ดบางคนอยากไปช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะเขาอยู่ในภพภูมินั้ น, เ, นเหมือนเทวดากับหนอนเนี่ยคนที่ช่วยไม่ได้นะเพราะเขาใจจิตใจเขาไม่รับไงเขาต้อเสวยทุกข์อยู่ในภพภูมินั้ น, น่ะคือเรื่องหนอนเทวดาก็าให้แง่คิดแบบเนี้ยคือคนทั่วไปแต่ละคนจะมีบุญไม่เหมือนกันมีวิบากมีกรรมไม่เหมือนกัน อะไรเราก็ขึ้นอยู่กับใจมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งอรรมาเรื่องเล่าเยอะให้โยโมแบบฟางเพลินๆที่ถนนเพชบุรีตัดใหม่เส้นนี้เป็นเส้นเส้นถนน โ, โลกีเลยสมายก่อนเนี่ยมีอ่าวลวดมากมายมีวัดอยู่วัดเดืองอยู่ติกระลงอ่าวลวดะแหละอยู่ข้างหลังอ่าวลวดแล้วมีหมอหนุ่ยู่คนหนึ่งเป็นคนธรรมะธรรโมไงครั้งที่มาทํางานเคยจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์พระครูที่อยู่ข้างๆเนี่ยกระน้ำสวดมนต์ไงหมอหนุ่ยก็ศรัทธาไง ก็สวดในใจไปด้วยแหละก่อนที่จะทํางานเวลาหมอนว่รับแขกแกก็นึกถึงพระครูนึกถึงธรรมะวันแล้ววันเล่าแต่แล้วสิ่งไม่คาดฝันทีเกิดขึ้นคือพระครูแล้วก็หมอนุ่นเน่ยตายวันเดียวกันเกิดอุบัติเหตุตายตายไปก็ไปอยู่ที่โยบะโลกโยบะบาลก็เรียกมาตรวจสอบเพื่อที่จะไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมตรวจดูแล้วก็บอกให้หมอนว่นว น, นี่ยไปขึ้นสวรรค์ พระครูตกอารมพระครูไม่ยอมนะพระครูบอกบอกว่าตรวจผิดหรือเปล่าเพราะว่าพระครูทำความดีมากมายเลยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาโยวาสบอกไม่ผิดหรอกเพราะว่าท่านเนี่ยเวลาสวดมนต์เนี่ยท่านก็มองมาที่อาบุมนวดอยากไปเสพกรามกับหมอนวดไอ้ส่วนหมอนวดเนี่ยทุกครั้งที่รับแขกก็มองมาที่ท่านจิตของหมอนวดเป็นกุศลของท่านเป็นอกุศลลามกนั้นตกอารมก็ถูกแล้วเรื่องนี้ก็้แง่คิดตรงที่ว่า บุญบาปอยู่ทีใจเรานะนั้นเราก็อย่าคอยโชคเพราะว่าโชคต่างๆเนี่ยอยู่ที่เราสร้างเองมีหลายคนรอโชคแล้วขี้เกียจหรืออย่างสามล้อที่ถูกหวยอะ่ะไม่มีบุญที่รักษาทรัพย์สมบัติไม่ได้เลยอาจารย์พสารเคยบอกว่าพรที่ดีเนี่ยก็คือกินง่ายถ่ายคล่องนอนหลับสบายการกินง่ายเนี่ยอันว่ามันพรที่ดีนะ่ะเมื่อก่อนเราก็มองบนผืนพรพื้นเพราะคนธรรมดาจะกินยากนะ อย่าคนป่วยเนี่ยกินอะไรก็ไม่อร่อยหรอกกินใบบางทีอาหารไม่ย่อยบ้างอะไรบ้างแต่คนที่กินแล้วรู้สึกว่าเอออาหารอร่อยแล้วก็กินได้กินง่ายอ่ะอันนั้นเป็นมงคลนะถ่ายข่องเออบางคนก็ข่ไม่คล่องท้องอืดถ่ายไม่ออกก็มีแต่ ถ, ถ่ายข้่องมันก็ทำให้เราได้ปลดปล่อยของเสียโรคร้ายต่างๆออกทางอุจจาระออกทางปัสสาวะก็ทำให้สุขภาพดีเลือดลมหล่อเลี้ยงดี หน้าตาผ่องใสถ้าคนที่ถ่ายไม่ออกเนี่ยบางทีหน้าตาเศร้าหมองเพราะว่าของเสียอยู่ในร่างกายมากๆเนี่ยะนั้นการที่ถ่ายถ่ายคล่องเนี่ยจึงเป็นโชคดีเป็นมงคล น, นอนสบายนอนสบายนี่ก็หาคนนอนสบายยากนะเพราะ บ, บางคนนอนโดวยวิตกกวนเครียดนอนไม่หลับบางทีกุก้มใจว่าไอ้พรุ่งนี้ไปทําอะไรต่อกลางคืนเป็นฟันกลางวันเป็นไฟคือกลางวันต้องทําให้สมประสงค์ที่ตอนคืนคิดไง เราจะหาความสุขจากการนอนยากนอนแบบปล่อยวางนอนแบบหลับลึกนั้นการนอนให้มีความสุขจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากสำหรับทุกคนบางคนก็กิญญ น, น, นยานอนหลับอายานอนหลับนี่ก็ทำให้นอนแล้วก็สมองตื่มึนงงไปกดประสาทอีกตื่นมามึนงงนี่แทบไม่ใช่ว่าดีนะบางคนติดยานอนหลับนั่นการที่เราเจตสติเนี่ยถ้าเราทำบ่อย ก็ช่วยให้เราเดี่หลับสบายหลับลึกตื่นมาก็ไม่เพียทําให้ชีวิตเรามีประสิทธิภาพนั้นพอที่ดีก็คือกินง่ายถ่ายคล่องหลับสบายแล้วก็มีธรรมะสามารถอยู่กับโลกธรําได้โดยไม่ทุกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีเสถียรมีอันทานเนี่ย <S <S ถ้าเรามีธรรมะเราก็เหมือนมีเครื่องคุ้มกันความทุกเจอทุกเราก็ไม่ทุกเท่าไหร่เรื่องเล็ก ก็กลายเป็นบทเรื่องไปเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กถ้าคนไม่มีธรรมะเจออะไรที่ต่อกิกบวยวายตีโพยตีพายเรื่องไม่น่าโกรธมันก็โกรธเรื่องไม่น่าลำคาญมันก็ลำคาญเรามีสติทุกเรื่องผ่านหมดแต่ถ้าเกิดไม่ผ่านเราก็เอาทบทวนพิจารณาตัวเองก็อย่าไปโทษคนอื่นเฮ้ยเราก็มีจุดบกพร่องนะเราเป็นคนไม่ดีนะหรือปฏิปัติธรรมอย่าอ่อนอยู่ก็สู้ต่อไปเพื่อพัฒ น, นาตัวเองแต่เราไปโทษข้างนอกเฮ้ยโทษดินฟ้ า, ากาโทษ นู่นโทษดี่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ปรับปรุงตัวเองอ่นพอที่ดีก็คือกินง่ายถ่ายคล่องนอนรับสบายแล้วก็มีธรรมะดีกว่าอายุวรรณ่สุขข่าพละเพราะเราก็แก่ทุกวันทุกวันดีความแก่ความตายความเจ็บไข้เลยไม่ได้เลยรับพรมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดมาก็เห็นว่าสมควรเวลาเขาหอยญาติโยมมีความสุขมีความเจริยธรรมยิ่งสบายเอหวัง